ถึงต้องติดนือเดินจากกุฏิมานี้อ่ะมันก็ได้ไปแล้วสองสำเแถวเดินจากนี้กุฏิกลับไปกุฏิครับได้สองส้เพแล้วเอาใจไหนเดินท่องจาดีตัวจาได้เร็วงนะเปมีวันพระเนมีวันโกน วันนี้เขาว่าตีหนึ่งถึงตีสองมีจันทุบราคาใครลองลุกขึ้นดูนะที่หนึ่งถึงตีสองขบนดังจันทุบราคาหมดดวงเลยมืดหมดดวงเลยลงจันจริงไหมไปดูนะใครจะลุกดูอะ่ะตี1หนึ่งทีสองอ่ะอื้อ ฮะใครจะลุกดูบ้างเป็นหนึ่งตีสองฮะนอนๆๆๆๆๆูนอนหลับดเลยับทั้ทุกราคาทันทุกราคาก็เกิดขึ้นจากเงาโลกมันบางลกจันทร์ธรรมชาติของมันลงจันทร์ที่มันสว่าง บางคืนก็เพราะว่ามันมันถูกแสงอาทิตย์มันก็สะท้อนความสะท้อนของมันเนี่ยสะท้อนมาถึงโลกเราเลยลกจันทร์เป็นบริวารของโลกโลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย์เวลามันมามันคโคจรมาอยู่ตรงกันเนี่ยเงาก็บางกัน มันไม่ใช่เทวบุตรเทวดาที่ไหนมาถั้งก็ทำใมชามันเป็นอย่างนั้นเวลาเวลากลางวันดวงดอาทิตย์มืดเพราะโลกมันบังดวงอาทิตย์มืดดวงอาทิตย์มืดเพราะดวงจันทร์มันบางดวงจันทร์มันบางมันบางโลก มันอยู่เส้นตรงแต่หลกดวงจันทร์อยู่กลางดวงอาทิตย์อยู่ข้างหนึ่งดวงจันทร์อยู่กลางโลกอยู่อีกข้างหนึ่งเงาของดวงจันทร์มันบังดวงอาทิตย์มันก็ทำให้ดวงอาทิตย์ยมืดนี่สุรยุปราคาจันทรุปราค า, ปป า, คาดวงจันทร์มันมืดเพราะว่าเงาโลกมันบังดวงจันทร์ธรรมชาติเท่า น, นั้น เป็นเต้นอะไรลก็มีเองเป็นเองแต่มันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ดวงอาทิตย์มันก็มีเองเป็นเองแต่มันก็มีเหตุปัจจัยของมันอยู่ดวงจันทร์มันก็มีเองเป็นเองแต่มันก็มีเหตุปัจจัยของมันอ ย, นนนอนอยู่ก็ไปดูยินน้ำลไงไปทั้งหมดนะ ดวงที่กับไฟดวงใหญ่ตัวมีทั้งเสียงสว่างมีทั้งความร้อนนั่นแแม่ไฟแท้แท้ดวงอาทิตย์นะดับไฟอะไรไกลกันไม่ได้ไหมหมดมันดาโลกทั้งหลายบนท้องฟ้ามาหาสมุทรเนี่ยมีมากมายมาหาศาล แต่เราก็เห็นเฉพาะโลกที่เราอยู่นี่แหละโลกอื่นมันไม่เห็นหรอกโลกที่เราอยู่นี่แหละมันมีชีวิตได้เพราะมันมีอะไรครบหมดอยู่ในนี้มินน้ำลมไฟมีอะไรพร้อมที่จะให้สิ่งมีชีวิตเกิดสัตว์เกิดขึ้นมาก็มีชีวิตอยู่ได้มันมีสิ่งช่วยให้สัตว์มีชีวิตอยู่ได้มีอาหารมีอากาศ ออกซิเนช่วยให้พืชเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ทำให้สิ่งมีชีวิตมีได้โลกของเราก็ว่ามนุษย์ก็จากดวงอาทิตย์แต่ตอนไหนเมื่อไหร่เราก็รู้ไม่ได้ทราบไม่ได้เมืนุษย์ขึ้นมาดวงอาทิตย์ก็เลี้ยงมนมันก็โคจรรอบดวงอาทิตย์มันมุนรอบตัวมันหนึ่งวันก็เท่ากับ หมุนรอบตัวเองได้หนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนโลกเราเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้หนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งปีทุกคนเรียนมาหมดแล้วเนีเป็นหลักธรรมชาติหมองหมุนรอบตัวเองได้หนึ่งรอบทาให้เกิดกลางวันกลางคืนกลางวันที่เราเห็นดวงอาทิตย์ก็เพราะว่ามันหันมันหันให้กับดวงอาทิตย์ก็เลยมองเห็นดวงอาทิตย์มันเป็นกลางวัน ไอ้ซิกหนึ่งที่มันไม่ไม่ถูกรวมทิศมันก็เป็นกลางคืนเหมือนอย่างประเทศเรากับประเทศอเมริกาเนี่ยอเวลามันตรงกันเรากลางวันเขาเขากลางคืนเรากลางคืนเนี่ยเขากลางวันเพราะมันอยู่บนซีกโลกอเมริกากับประเทศไทย เ, ยเวลาเราเป็นกลางวันหันหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ ของเขาเขาไมอยู่อีกเสี้ยหนึ่งมันทําให้โลกเป็นบังเขาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นดวงอาทิตย์ขก็มืดเวลาเขาหันหลังหลังให้เวลาเขาหันเข้าหานดวงอาทิตย์เนี่ยพวกเราก็พวกเราก็ถูกถูกโลกบังมันเป็นคำเคืองใช่เป็นบมดวานของดวงอาทิตย์เป็นกล่อของอะไรไม่รู้ดวงอาทิตย์น่ะ ก็เถือว่าเป็นดาวรวงหนึ่งดวงหนึ่ ง, ง, งเป็นดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงในตัวดาวฤกษ์ในโลกนี้มีมากมายมหาศาลไม่ใช่จะมีเฉพาะดวงอิดโรงเดียวดาวระพีศัยกับดวงอาทิตย์ก็มีเท่าที่เราเคยได้ยินเรื่องมีมากมายมหาศาลเรื่องของโลกภาลนาไม่สิ้นสุดนะ พระตจึงทรงตรัสว่าโลกอจินดาโลกะจินดาคิดนึกไปตามโลกคิดไม่จบท่านจึงทรงตรัสว่าอจินไตยอจินไตยไม่ควรคิดโลกะจินดาโลกะจินดาอจินไตยการนึกคิดเรื่องโลกมันไม่จบสินมันมากมายมหาศาลท่านจึงว่าอจินไตยอจินไตยไม่ควรคิดอจินไตยแปลว่าไม่ควรคิด คิดคิดไปไม่จบคิดทีกันเป็นป้ากับเป็นนายของโลกนู ท, ที่ดาวอาทิตย์ดาวพุทธดาวพรหัตดาวดาวเสาดาวอะไรก็ว่ากันไปกำหนดไม่ตั้งหรอกดาวที่มันใหญ่ใหญมีเต็มไปหมดดาวหางดาวอะไรอะไรเนี่ยมัเต็มท้องฟ้า แต่ทุกอย่างไม่คงที่มันเปลี่ยนตัวของมันไปเลยเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนที่อยู่ของมันไปเลยโลกดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่มันเป็นบริวารของโลกมันหมุนรอบโลกดวงจันทร์เนี่ยมุนรอบโลกหมุนรอบโลกได้หนึ่งรอบทําให้เกิดขึ้นข้างแรงจันทร์มุนรอบโลกได้หนึ่งรอบ ทำให้เกิดข้างขึ้นข้างแรงอย่างตอนนี้เป็นข้างขึ้นทำไมเราถึงเรียกว่าข้างขึ้นก็เพราะว่าดวงจันทร์มันมีแสงแสงขอ ง, ของมันได้ไปอย่างไรได้ไปจนตรงทีนะ่มันตั้งองศากับโลกเก่ามันไม่ได้ตั้งองศาเป็นแนวตรงนี่คืนนี้แหลมันตั้งองศาเป็นแนวตรงคืนนี้กับระหว่างปีหนึ่งถึงตีสองเนี่ย มันจะทาให้เงาโลดหรือบังลงจันทร์ทำให้มืดทให้ดวงงจันทร์มืดหมดดวงเลยนะเามืดมลุก็ดูนะเดีวจะบอกว่าเขาตัวอีกนะดวงจันทร์ดวงจันทร์มันก็ถูกเงาโลกบังไปเรื่อยบังมากบังตั้งแต่มากไปจนเหลือน้อยบังมากก็คือดวงจันทร์ข้างมืดมืดหมดดวงพอมันเริ่ม พอมันเริ่มบางไว้น้อยๆขึ้นมามันก็เริ่มน้อยน้อยมันเริ่มเท่ากับชีอะไรไปเท่ากับเซี่ยวของอะไรของแตงโมที่เราพาเน่ะเป็นเสี่ยวเป็นเสี่ยวเสี่ยวเล็กเสี่ยวใหญ่มาเลยใหญ่มาเลยใหญ่หมาเลยได้ครึ่ง ห, ห, ห, ห น, นึ่งได้ครึ่งหนึ่งก็คือครั้งขึ้นพอได้ครึ่งหนึ่งพอเต็มเต็มก็คือ เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงคาว่าเต็มดวงก็คือโลกเราไม่บังดวงจันทร์เลยดวงจันทร์ได้รับส่งดวงที่เต็มดวงเห็นกล่องเต็มดวงโลกเราม่นไม่บังเลย้ารโลกยังบังอยู่มันก็มองมอเห็นเป็นสิ่งมันเกิดสิกเซี่ยงของแต่โมที่ถูกพานและจันทระกติจันทระคติ โลกทั้งหลายก็สมุทัยโลกสามรอบสิบ้าวันเป็นหนึ่งปีก็ร้อยมีสิบสองเดือนเหมือนมกราคุมภามมนาเมษาหรือเป็นสากวนเป็นสาวนแต่ทางศาสนาเรานะั่นนะท่านคำเราให้มีเรมีหนึ่งข้ามสองข้ามสามาถึงขึ้นหนึ่งข้ามสองข้ามสามามที่ทางมาหมกุราชการที่สี่ ท่าเป็นผู้แตกฉานเรื่องของดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ด้วยโหราศาสตร์ด้วยถ้าไปผู้แตกฉานท่านเอามาคำนวณทำให้เกิดปฏิทินอีกอย่างหึงที่ทเรียก ว, ว่าปะปคณาณาปฏิทินปปคณนานี้เป็นการคำนวณที่ละเอียดที่สุดว่าเราควรจะทำปฏิโมกตอนไหนเมื่อไหร่ที่พระพุทธเจ้าท่าน ที่ทรงคำนวณ ใ, ใ, ให้ให้ไดใกล้ชิดใกล้เคียงที่สุดก็เพื่อที่จะทำโมบสตร์สตร์ปฏิโมกเพราะพระปาการทำประปฏิโมกนั้นเป็นพระพุทธบัญญตัติพระพุทธเจ้าท่าสอให้พระสอนให้สวดและบอกฟังทุกกึ่งเดือนนี่เมื่อคำนวณยังไงมันคือละเอียดใกล้ชิดที่สุดละเอียดละออที่สุดก็เลยมาคำนวณทางจันทัคติเพราะฉะนั้นแรงหนึ่งข้ามสองข้ามขึ้นหนึ่งข้ามสองข้ามจึงมี สิบคำสิบห้าคำขึ้นสิบห้าคำก็ถือว่าเต็มดวงจากเต็มดวงพอจากเต็มดวงโลกเงาโลภก็เริ่มบำปีแล้วบำเพื่อบำเพื่อบำเพื่อบางเพื่อจากเต็มดวงเลยเลือดเล็ดเข้าเล็กเข้าเล็ดเข้าเล็ดเข้าเล็ดเข้าจนบางหมดรวงการขนจอดของมันบางหมดดวงก็มีแค่นั้นเองแล้วเราจะไปความสำคัญว่าเทวบุตรเทวดาที่ไหนมาทำ บางคนกลัวนะร้องไห้เลยนะฮนะสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยไปสุริยุปราคาเนี่ยเด็กเ ด, ก เ, ดกเนี่ยบางคนกลัวร้องไห้ไปหมอ เ, เห็นมันมืดนะกลัวร้องไห้ไปอย่านั้นก็ดีคือปกติคนคนเราทุกคนไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าใครอะ่ะมัจกจะกลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็น สิงที่เรามองเห็นก็เนะ่านันเชอย่างบางคนไม่เคยเห็นผีก็บอกว่ามีผีกลัวท่านนะลกลัวผีก็บอกเทวดานะเทวดามีฤทธิ์มีเดชคอยมาทำโทษทาเบญทำภัยอย่างนั้นอย่างนะั้นไม่เคยเห็นอกพอไดย้ยินก็พูดกลัวนะกิเลสภายใ น, นใจของเรามันหลอกกลัวกลัวเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไม่เห็น ว่าเราจะได้ทุกได้ทุกได้อะไรความกลัวบรรดาคนในโลกมีบรรดาสัตว์ในโลกนะมีสัตว์ที่ไม่กลัวมีมนุษย์ที่ไม่กลัวมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกมีอยู่ในโลกที่ไม่กลัวมี พระอรหันย์อย่างเดียวที่ไม่กลัวพาาระอรหันไม่กลัวพระอรหันที่ทั้งหมดกล้าทั้งหมดกลัวแต่ไม่ไม่ใช่ว่าท่านไม่กลัวแล้วท่านกล้านะท่านไม่กล้าทไม่กลั ว, มลวหมดความกลัวแนละ้วนี่อันนี้คือคนนะ้นคนที่เป็นพาาระอรหันที่จะไม่กลัวมี พระองค์หนึ่งอท่านติดอยู่ในฌานท่านติดอยู่ในฌานถ้าสําคัญว่าท่านเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์ทตี่ท่านสอนลูกศิษย์ไปเรื่ยสอนไปเรื่ยสอนท่อยลูกศิษย์ปฏิบัติตามที่ท่านสอนลูกศิษย์ได้เป็นพระอรหันต์จริงๆหมดกิเลสในหัวใจเป็นพระอรหันต์จริงๆลูกศิษย์นะแต่อาจารย์ยังติดอยู่ในฌาน อนี้ลูกศิษย์ก็ดูนไปโอ้อาจารย์นะมันยังศิษอยู่ในอ ง, องค์อาจยังสัมพันธ์มั่นหมายว่าเจ้าของนั้นเป็นพระอรหันต์อยู่ก็เลยเอาวายไปสอนอาจารย์ไปพูดไปคุยไปสนทนาธรรมเลยหละอาจารย์ก็พูดว่อนาอย่างนันน้นอย่างนันน้นอย่างนันน้นงนั้นั้อาจารย์ได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหรันต์ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เมื่อไรอะไรไปถามไปคุยไปสนทนาหาเรื่องที่จะสอนท่านนที่จะสอนอาจารย์ อ, อาจารย์ของตัวเอง ถ้าถ้าอาจารย์เป็นพระอรหันจริงด้วยเหตุที่ท่าอาจารย์ได้ฌานเนี่ยให้ท่านอาจารย์กําหนดให้เป็นฌานลองดูกําหนดคือคนที่มีจิตเป็นสมาธิแน่วแน่มีองค์ฌานเนี่ยตั้งรูปอนิมิตยังไงมันจะเป็นอย่างไงนะกำหนดหรับตานั่งกําหนดให้เป็นฌานฌางจริงๆเนี่ยเหมือนของจริงๆอลย ลูกศิษย์นายอาจารย์เนี่ยตั้งโลกปฐนี้เป็นชา้างทําให้ชา้างไม่หูพงชูงชวงทำท่านหน้ากลัวเราวิ่งมาที่จะเหยียบเจ้าของเลยลูกศิษย์นะแม่อาจารย์อาจารย์ก็ทําอย่างนั้นจริงๆถ้าเหมือนลูกศิษย์บอกเลยก็แบบแห่งให้เปิดโลกช้างหูพงมันค่าบัดช้างตกมันเ่ะชูงว ง, ว, งวิ่งเจ้นมาว่าจะเหยียบเจ้าของเลย พอวิ่งมาวิ่มาวิมาดูมากว่าช่างจะเยอะจริงๆอาจารย์เนี่ยต้ อ, ง, นหนตองหนักตัวออกการพนักตัวออกหมายความว่าอาจารย์กลัวนานเห็นไหมทดสอบได้แล้วอาจารย์ยังไม่เป็นพระหลานยังไม่ได้บรรลุอาจารย์ไลยยอมอาจารย์ไม่ยอมพออาจารย์ยอมแล้วลูกศิษย์ก็สอนให้พิจารณายอย่างนี้นี้สอนให้พิจารณา อาจารย์ก็กำหนดตามที่ลูกศิษย์สอนนั่นแหะเดินยุ่งร้องไม่กี่ไม่กี่รอบได้เป็นพระหานได้เป็นพระหานนะพระกิตถึงขั้นนั้นมันเป็นกิตที่ละเอียดมากเป็นกิจที่ละเอียดมากแต่มันมีสิ่งมาบอกน่าบังเคล็ดเดียวนั่นแหละเท่ากับเส้นผมบางภูเขาเนี่ยพอลูกศิษย์มาสร้างวลวายให้อาจารย์ทําตามอาจารย์ได้เป็นพระหานทันทีเดินยุ่งร้องได้ไม่กี่ข้าวได้เป็นพระหาน นี่เราเล่าเพื่อให้รับข่าวที่ท่านท่านว่าพระอรหันต์ท่านจะไม่กลัวแล้วก็ไม่กลัวแล้วก uhm. ็ไม่กล้านะไม่ใช่ว่าจะทั Than ้กล้าทกลัวไม่ใช่พวกเรามีทั้งกล้าทั้งกลัวมันมีกลัวเพราะมันมีกล้ามันมีกล้าเพราะมันมีกลัวนะถ้าไม่มีถ้าไม่กลัวไม่มีกลัวไม่มีกล้าพระอรหันต์ท่านจะไม่กลัวพระสัตรีอีกประเภทหนึ่งสกายชานในเนี่ยไม่กลัว ช่างอาชาในมาอาชาในคนนี้ไม่กลัวสัตว์ที่ไม่กลัวสัตว์อาชาในช่างอาชาในคนนี้ไม่กลัวแต่พวกเรายังมีกิเลสอยู่ยังไม่เป็นภ า, าระหันพวกเรากลัวแต่จะกลัวในสิ่งที่มองไม่ค่อยจะเห็นดอกเพราะฉานั้นพวกเราจรึงบนบานสารเปล่า บอกเวบุตรเทวดาบนบานสารกล่าวพูดผีปีศาจอ้อนวอนให้เขาช่วยเหลือเลยเป็นสาเหตุเป็นต้นต่อทั้งี้ลัทธิศาสนาทั้งหลายมีเกิดขึ้นมีขึ้นในโลกมากม า, กมายเยอะแยะลัทธิศาสนาเกิดขึ้นนี้ด้วยเหตุที่อาจารย์สอนลัทธิเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ตรัสรู้ธรรมมในพระพุทธเจ้า เลยสอนอย่างนี้สอนนี้สอนเนอี่ยพระเจ้าเกิดที่นั้นพระเจ้าสร้างอย่นั้นพระเจ้าสร้างนั้นก็ว่ า, างไปแต่เขาก็สามารถปฏิบัติตามนั้นสามารถให้ผู้ปฏิบัติตามไปสวรรค์ได้แต่มันไปพิพานไม่ได้ดอกถ้าไมจึงไปสวรรค์ได้ก็เพราะทําตามกฎบัญญัตินั้นๆศาสนาใดก็ตามที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าศาสนาพราหมณ์ก็บัญญัติ ศา ส, สนาคริสต์ก็บัญญัติศาสนาอิสลามก็บัญญัติศาสนาซิกก็บัญญัติศาสนาใดๆก็ตามมีพระเจ้าสามารถไปสวรรค์ได้แต่ไปนิพพานไม่ได้ท้ามันจไปสวรรค์ได้กเพราะเขาสอนให้มีมีสัตว์มีซึ่งแล้วเราก็ตั้งใจตาทำามความสัตว์การตั้งสัจจะนั้นมีผลมีอ น, นิสง การตั้งสัจจะนั้นมีผลมีอนิสงส์เอาแค่เขาถือศีลอดนะอิสลามเขาถือศีลอดเขาไม่กลืนนีเขาไม่กลืนน้าลายเถาน้ําลายเงน้ำล า, ำลาวันไหนมรุกแต่เดือนไหนวันไหนไปถึงวันไหนมรุกเราไม่จึงไม่กับด้วยเหตุที่เขาถือตามสัจจะที่เขาตั้งเอาไวา้ตรง น, นี้เขาก็สามารถไปสวรรค์ได้ศาสนาคริสต์เขาก็สามารถไปสวรรค์ได้เพราะเรื่องสัจจะที่เป็นเรื่องใหญ่โตมาก เสัจจะคือการตั้งสัจจะอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่สัจจะบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเพียงแต่ตั้งขึ้นมาแล้วเราปฏิบัติตามนั้นหนึ่งก็สามารถบรรลุผลได้แต่สัจจะของพระพุทธเจ้านั้นที่เขาเรียกว่าสัจจะธรรมสัจจะธรรมนั้นท่านรู้สุขโปร่งถึงเนื้อหาที่แท้จริงของ ของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขเรียกว่าสัจจสัจจ์เช่นอย่างโบรามีสัจจ์อย่างหนึ่งในชีวิตหนึ่งคือเกิดแก่เจ็บตายชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็เป็นสัจจ์อย่างหนึ่งของชีวิตร่างกายเป็นอนิจจังทุกขันธนักตานี่ก็เป็นสัจจ์อย่างหนึ่งในชีวิตเรามีทุกมีทุกกายมีทุกใจอันนี้ก็เป็นสัจจ์อย่างหนึ่งในชีวิตเรามีขันธ์ห้า เรามีรูปรขันมีเวทราสัญญาสังขารวิญญาณขนันขันนั่นก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งของชีวิตเสรุปลงแล้วสัจจะที่เรารู้แล้วเราตั้งใจปฏิบัติตามทําให้เกิดประโยชน์ก็คืออริยสัจทั้งสี่ทุกสงฆ์ไทยนิโรธมั้งเนี่ยสัจจะของพระพุทธเจ้ากับสัจจะของศาสนาอื่นจะแตกต่างกันจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกัน เช่อย่างธรรมชาติของกายประกอบไปด้วยรูปประลักลักษณะของรูปลักษณะของรูปมันจะมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขัขอนักตาคือร่างกายของใครทุกคนจะไม่คงที่จะไม่คงที่ความไม่คงที่ท่าเรียกว่าทุกขังทุกขังคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องเปลี่ยนสภาพไปจะต้องแปลไปนี่จะเรียกว่าทุกขังทุกขัง กิริยาที่เปลี่ยนไปแปรไปท่านเรียกว่าอนิจจ์เราดูร่างกายของเราทุกคน่ะคงที่ไหมเราเกิดในท้องแม่เท่ากับหยดน้ำเล็กๆจนมองไม่เห็น่ะเกิดในท้องแม่ถ่าของพ่อกับท่าของแม่ผสมกันเกิดในท้องแม่หลังจากเกิดขึ้นมาแล้วมีกรรมเข้าไปเกี่ยวขอ้องเจริญพัฒนาเทาวารขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นโตขึ้นตโตขึ้นโตขึ้น หลังจากสังขารพ่อกับแม่ประกอบกันแล้วไม่มีคงที่ไม่มีอยู่ยุด อ, อ, อ, อยู่กับที่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่อดเปลี่ยนไม่ไดใครไปทํายังไงให้อยู่กับที่ก็อยู่ไม่ได้ไปดัแรงให้อยู่กับที่ก็อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไื่อดเปลี่ยนไม่ไดอันนี้คือสัจจอันหนึ่งที่คนเข้ารู้เข้าถึงเห็นด้วยญาณศาสนาแล้วได้อักได้ธรรมปรับใจเชื่อ เ, อเต็มที่100ร้อยเอร์เซ็นต์นเรียกว่าทุกข์ขัน เรียทุกขังเป็นอนิจจังทั้งลักษณะของทุกขงังทั้งลักษณะของอนิจจังในตัวเราเนี่ยไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เอาอยโยที่นะอย่เปลี่ยนแปลงนะบอกไม่ได้บอกยังไงก็บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอนัตตานัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นสามัญจะลักษณะ ซึ่งเป็นลักษณะทั่วๆไปของสังขารทั้งปวงที่มีความาที่มีความประสมกันที่เรียกว่าสังขารสังขารคําว่าสังขารก็คือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันที่เรียกว่าสังขารเราไม่ต้องดูอื่นไกลเรารู้ว่าสังขารของพ่อกับสังขารของแม่ประกอบกันทําให้เกิดเราในท้องแม่ประกอบขึ้นมาแล้ว ไม่อยู่ของที่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ไเปลี่ยน ไ, ไการที่อยู่ไม่อยู่คงที่นั้นเป็นลักษณะของทุกข์การเปลี่ยนไปเรื่ได้เป็นลักษณะของอนิจจ์อันนี้พูดเป็นเพื่อเป็นบาดเป็นฐาให้เราเข้าใจเรื่องของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เนี่ยเราศึกษาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอย่างนี้ทีนี้เราจะเกิด ผลเกิดประโยชน์ต่อเมื่อเราตั้งใจภาวนาแล้วเราสามารถเห็นไตรลักษณ์ด้วยญาณทัศนคของเราเองเราก็จะได้อัดใจทํามันจะเป็นการปรับใจเชื่ออย่างเหนียวแน่นมั่นคงตราบใดที่ยังไม่ปรับใจเชื่อมันจะบอกว่าสังขารนี้เที่ยงร่างกายขอรนเที่ยงมันเที่ยงอยู่ตลอดพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่เที่ยงพเพราะเที่ยงอยู่ตลอดเลยพระพุทธเจ้าทรงแปลว่าทุกทุกทุก พอเราเทียงอยู่ตลอดว่าสุกสุสุกร่างกายนี้สุกร่างกายนี้เที่ยงบังคับบัญชาได้บังคับไม่บัญชาไม่ได้อย่างไรอยากรับทานน้ําอยากกินข้าวกินได้อยากกินน ja ้ํำก็ก er ินได้อยากนุ่งอยากผอมอยากอาบน้ําอยากเล่นอยากอะไรสารพบังคับบัญชาได้หมดนี่คนละประเด็นที่ผู้นจย่ำทานทรงตรัสเอาไว้คําว่าบังคับบัญชาได้หมดบังคับบัญชาไม่ให้มันเปลี่ยนแปลง เพให้มันทุกขนี่บับบัญชาได้ไหมไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้บังคับบัญชาให้มันเปลี่ยนตัวไปนี่บังคับบัญชาได้ไหมเพราะการที่เราบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจฝันของเราไม่ได้นั่นแหละทัานเรียกว่าอันนี้จังทุกขังท่านเรียกว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเป็นตัวตปนตนต้องบังคับบัญชาได้อืม กิริยาที่เราใช้อยู่ข้างนอกเป็นกิริยาของตัวตนเหมือนอย่างเราบังคับกายเราให้เดินให้ยืนให้นั่งให้นอนให้กินให้ดื่มให้ทำให้พูดให้คิดอันนี้เป็นกิริยาที่เราบังคับบัญชาได้อันนี้ไม่ใช่หลัะสัจจะทำที่แท้จริงที่พุทธิยราสมปรักอันนี้คือเราบังคับบัญชาได้บังคับบัญชาไม่ได้ได้ยังไงบังคับให้กินก็ได้บังคับให้ยืนให้เดินก็ได้เนี่ยเราเอาประเด็นถ้าเราประเด็นที่มาเถียง อันนี้มันไม่ใช่หลักสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทัรงตรัสหลักศัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทัรงตรัสคืออนิจจังทุกขังขบันณากานั่นกาายมาเราบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมีความทุกข์เราบังคับอย่างน้อยมีความสุขนี้แต่ความสุขอย่างเดียวไม่ต้องมีความทุกข์เลยบงคับบัญชาได้ไหมบงคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปตามสภาวะของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเราบังคับบัญชาไม่ได้ พรองจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาอนัตนตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเป็นตัวเป็นตนเราต้องมางขับวัญชาได้นี่หลักไฟลัคนี้เป็นหลักของสัจธรรมหลักองสัจธรรมทัางหลายทั้งพวกสาเหตุต้นต่อที่เราให้มาประสบพกองทุกได้อัสภาพได้ทางกายมาด้วยกันทุกคนนี้ข้อเนื่องจากว่าจิตของเราไม่ไวิสุท จิตของเรามีกิเลสกิเลสมันมีอยู่ที่จิตของเราด้วยกันทุกคนจิตของเราน้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่เราก็ทราบไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นมาครุกครีตีโมกิเลสเกิดขึ้นมาด้วยท่านบอกว่ามีกิเลสเคลือ่อนแองมากับจิตจิตหรือผู้รู้หรือธาตรู้นะจิตไม่มีตัวไม่มีตนจิตเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง แต่เราไปเที่ยวเหมือนพลังงานทั่วๆไปไม่ได้พลังงานทั่วๆไปนั้นเป็นเรื่องของวัตถุเช่น อ, อย่างพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัตถุพระรูปวัตถุทำให้เกิดพลังงานอย่างนั้นแต่จิตเป็นเป็นนามธรรมา ท, ที่ไม่มีไม่ใช่พลังงานแบบนั้นมันเป็นธาตุยันที่เกิดขึ้นมาสำเร็จเป็นธาตุรู้ด้วยตัวของตัวเองพัฒนามาจากตามหลักธรรมชาติจิต เป็นธาตรู้เป็นผู้รู้ธาตุคือสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกมันเกิดขึ้นในโลกมีอยู่ในโลกเป็นอยู่ในโลกนี่แหละเหมือนกับธาตุดินมีอยู่ในโลกธาตุน้ํามีอยู่ในโลกธาตุลมธาตุไฟมีอยู่ในโลกธาตุคารอธาตุออกซิเจนธาตุอะไรอะไรที่เราจะผู้ไล่ไปเพื่อประโยชน์ในการนํามาใช้สอยถ้าเรียกว่าธาตุธาตุถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยเราเรียกว่ามูลเดิมของโลก ถ้าคือมวลเดิมของโลกมีขึ้นมาประจำโลกมาเกิดมาพร้อมกับโลกเรารู้ไม่ได้แต่ว่ามันมีอิเล็ตเคลื่อนไปมา ก, กับกิริยองเราเรายังประสบสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้า ง, า ง, างถึงเราทุกข์ทุกข์ราองโผงร้องไห้น้าตาไหลทุกขระทมต ร, ต, รตรองใจจนเจน้าหัวแห้ง จ, จิตใจตายนั่นแหะคือความทุกข์ที่แท้จริง บางคนมเหลืออดเหลือนกับความทุกข์กับความทุกข์โดดน้ำตายเตืมเข้าไปอีกภูกคอตายเตืมเข้าไปอีกกินยาพิษตายเพิ่มเข้าไปอีกนี่คือความทุกสิ่งาต่างๆนี่เราพอใจไหมเราไม่พอใ จ, เ ร, อใจเราไม่ชอบใจกิเลสทําให้เราเสียใจทําให้เราทุกเพราะร่างกายของเราเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากพลังของกิเลสจากอํานาจของกิเลสผลผลของกิเลสทีนี้พระคาถาเนี่ย ที่ท่านไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปอยิ่ไปตายอีกเพราะเพราะท่านแยกผู้รู้จากกิเลสได้แยกกิเลสออกจากผู้รู้ได้มันจะไม่มีธาตุที่เครือบที่แฝงเข้ามาสามารถทําได้สามารถมีได้สามารถทําได้เพราะท่านบอกตามแบบตามแผนทำให้เราศึกษาได้หมดพวกเรามีความอยากมีความต้องการทําน้องทำน ท, ทําอะไรทุกอย่างสรรพัต เราทำตามความมีความเก็บความจำเป็นเช่นอยาร่างกายมีความหิวมีความกระหายเวลาร่างกายบกพร่องอาหารร่างกายก็หิวก็กระหายความหิวกระหายถ้าเราเราไม่สนองต่อให้มันนานๆเข้าหนึ่งวันไม่สนองสองวันไม่สนองสาวันไม่สนองร่างกายที่เหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงกำลังวัางชาก็อ่อนน้อยถอยลงไป พวกเลือดของลมองอะไรก็อ่อนลงไปออนลงไปเหี่ยวรองเหี่ยวลงผอมองผอมรองร้องไม่กินข้าวดูสักเดือนหนึ่งร่างกายของเราจะผอมลองผอมลงผอมลงอมลเพราะอะไรเพราะร่างกายมันมันต้องการอาหารทําไมร่างกายถึงต้องการอาหารเพราะร่างกายมันเป็นสังขารสังขารที่มันเกาะกลุ่มกันแล้วเนี่ยมันจะคงที่ไม่ได้มันจะไม่เท่าเดิมมันจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันจะต้องทํางานขึ้นมา สังขารตั้งแต่สองสองสี่เป็นต้นไปเมื่อเข้าประกอบกันแล้วเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรือยเปลี่ยนไปเรื่อเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเองเปลี่ยนไเรื่อยรางกายเรากชนเดียวกันลองเราอดให้มันอยู่ให้มันกระหายร่างกายของเราเคยอ้วนเคยผีมันก็หมดผอมลงไปผอมลงไปผอมไปผอมไปถ้าเราพูดแบบภาษาวิทยาศาสตร์สหน่อยก็บอกว่าอเซลในร่างกายของเรามันตายลงตายลงตายลงหิวไปหิวไปหิวไป ตอนข้ามเราให้อาหารมันมากๆเข้ามันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกลายเป็นอ้วนปุ๊บนะเห็นไหมเราพูดอย่างนี้เราเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันนะอยางเหตุปัจจัยของรูปธรรมเหตุปัจจัยของรูปธรรมนันเราได้มันจากไหนได้มาจากพ่อจากแม่แสดงว่าเวลาออกจากท้องแม่มาแล้วเป็นไงมาต้องการอาหารไหมมันต้องการอาหารเราต้องการอาหารหาอาหารเพิ่มให้กับมัน ตามความมีตามความเป็นตามความจำเป็นธาตุภายในร่างกายของเรามันเสื่อมไปมันสิ้นไปทําไมจึงจึเสื่อมไปจึงสิ้นไปก็เพราะว่ามันทํางานทุกระยะทุกเวลาถ้าเราปฏิถ้าเราจะเทียบกันก็เครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันทํางานและมันกินน้ํามันทําไมมันจึงทํางานก็เพราะว่ามันมีน้ำมันกินเรากินไปกินไปพอน้ํามันหมดมันก็หยุดอ่ามันก็หยุด มันหมดหมดปัจจัยอย่างหนึ่งของมันร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันตราบใดที่ยังมีสังขารพอที่จะเกาะคุมกันได้าก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปร่างกายคือธาตุในภายในร่างกายของมันเสื่อมไปมันสิ้นไปเพราะมันบดมันย่อยมันขับมันถ่ายมันอะไรข้างใทุกระยะทุกเวลาอันนี้ธรรมชาติของร่างกายของเราเราไม่ให้เข้าใจมันจะเกื้อกูลในการศึกษาหลักธรรมชาติในกายของเรา จะทำมันเกิดประโยชน์มีร่างกายของเราทำาเสื่อมไปแต่มันเสิ่อมไเราก็เลยถือเป็นเรื่องจำเป็นว่าเราต้องทำมาหากินนะะอาหารทุกคนก็ต้องการมีห้าคนก็ต้องการทั้งห้าคนสิบคนเขาต้องกั้งสิบคนร้อยคนเขต้องการกกการ้อยคนพันคนมืนคนแสนคนในโลกนี้ต้องการอาหารทั้งนั้นในเมื่อทต่คนต่ต้องการก็ต้องแย่งกัน มีกฎมีเกณฑ์มีระบบมีระเบียบต้องทำงานอย่างนี้ได้ของแลกเปลี่ยนใหไอย่างนี้เพื่อที่จะเป็นแลกอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นเหตุอะไรเราต้องได้ทาการทางานได้ของแลกเปลี่ยนบางที่เป็นอาหารบางทีก็ของเป็นแลกเป็นคู่ปองเป็นอะไรรับเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินดาวเงินดินอะไรแล้วแต่เราจะว่าไปนี่ที่มาของมัน นอกจากอาหารก็ยังไม่พอจะต้องมีเสื้อผ้าผ่อนเครื่องนุงเครื่องผงปกปิดความละอายปกปิดเลือบยุงปกปิดความหนาวความร้อนเสื้อผ้ากต้องแสวงหา<ม>เราก็จําเป็นเขาก็จําเป็ น, ต, นตามคนต่างแสวงหามีธรุรกิจต่างๆเกิดขึ้นมายุกยาทําไมต้องมียุกมียาทําไมต้องมีหมอมีมแพทย์มีพยาบาล พรว่าร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไป เ, เซลล์ที่ในร่างกายของเราพกนี้ก็ส ร, สา ร, สา ร, สาร้างแล้วสร้างสร้างจนเกินจำเป็นกลายเป็นเนื้อ ง, งอกขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมการทํางานของมันมันสร้างสาร้างจนเกินจำเป็นต้องมียาไปแก้มันเป็นโรคไรอโรคจามเป็โรคปอดโรคตับโรคไตสารพัดที่มันจยาเป็น่ยนมีกระดูกเป็นโรคกระดู มีตับเขเป็นโรคตับมีปอดเขเป็นโรคปอดมีเส้นมีเอนเขเป็นรอคเส้นโรอเอ็นโรคหนังโรคผิวหนังสารพัดที่มันจะเป็นก็เนื่องจากว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเเหตุปัจญัยบางอย่างมันเกี่ยว ม, มาะกรุมามะาถูกมะต้อผิวหนังเราไปไปมามาเอาผิวหนังกลายเป็นที่กระับแน่เห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งมะ เ, เามากี่ยลข้อมะกพัม ต้องรักษาต้องมีต้องมีงมยารักษาที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเราต้องหาบ่านอยู่เราต้องหาอาหารบริโภคเราต้องหาเสื้อผ้าบริโภคเราต้องหาอยู่ยาเพื่อมาแก้โรคอันนี้คือปัจจัยสี่ถ้าเราไม่ได้ยินอัดเสียงอัดเสียงทำเลยเนะี่ยเรายกให้ปัจจัยสี่ใส่หาทั้งวันทั้งคืนยืนเดนนังนอน เต็มที่ร้อยเปอร์ซ็แต่ด้เหตุที่ว่าพระพุทธเจ้าพวกเราได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจงตรัสว่าอันนี้คือปัจจัยสี่สำหรับห่อเลีเ้ยงร่างกายที่เป็น ร, ปรูปธรรมเท่านั้นเสียงที่จะพึ่งทุนเลี้ยงนามธรรมาคือจิตใจยังมียังอยู่ยังมีอยู่ถ้าเราเลี้ยงเฉพาะัตภาพร่างกายท่านายอยู่นีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุข เท่าไรก็ตามก็คือธาตุดินน้ำลมไยที่เขาเจริญขึ้นก็ักเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงไรสุขแลก็แตกทําลายไปแต่สิ่งที่จะมาใสา่รูปธรรมอันนี้ก็คือจิตใจร่างขายของเราเเป็นถ้าเป็ น, ปนครูหาเป็นที่อยู่ของใจรูปธรรมของเราเนี่ยเป็นผลผลของใจเป็นวิบากกรรมของใจเป็นผลผลของกิเลสเป็นวิบากกรรมของกิเลส ด้วยเหตุที่เรามีกิเลสเรามีตัณหาด้วยเหตุที่เรามีตัณหาเราจึงมีปาฏิานเรายึดยังไงเราก็ได้อย่างนั้นเรายึดยังไงก็ได้อนั้นยึดยังไงก็ได้อย่างนั้นก็เหมือนอย่างเรายึดว่าสองวันนี้เราจะมาอบรมในถ้ำเก่าพอถึงเวลาปั๊บพวกเราโผล่มาทันทีเห็นไหมมี่แต่ปาฏิานการที่จิตของเราไปยึดตามอานาจของกิเลสเรายึดยังไงก็เกิดอย่างนั้น ยึดยังไงเพราไ ป, ปโผล่อย่งนั้นยึดยังไงก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอัตภาพร่างกายของเราที่เรามีเนื่องจากจิตเรามีมีธรรมที่เรีย่ามนุษยธรรมเราจึงได้อัตภาพเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่มีมนุษยธรรมเราก็ตามลงไปอีกพอเป็นสับในไรฉานเป็นหมูมาเป็ดไก่เป็นอะไรก็มนรู้แหละเป็นสัตว์ เ, เ, เ, ส, วเสัตว์ใหญ่เป็นตายทั้งนั้นแหละเนื่องจากวิญ ญ, ญาณมันถ่ายกันไปถ่ายกันมาถ่ายเที่ยงไปถ่ายเทีกันมา นี่คือความความที่เราไมนค่อยนึกค่อยคิดกันมันอมอยู่ในหัวใจของเราทุกคนเราไม่ค่อยนึกไม่ค่อยคิดทําให้เราหลงไหลไปฝันอะไรต่ออะไรสรารพัดตามอนำนาจของสิ่งตา่างๆเหล่านี้ไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้เบื้งไปไม่รู้่งเงินไม่รู้เงาไม่รู้อะไรทั้งหลาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงกับท่านงรงบวชมาเพื่อชี้ช่องบอกทางว่า ท่านจะเลี้ยงเฉพาะอัตภาพร่างกายไม่ได้ท่านจะต้องเลี้ยงจิตใจด้วยเพราะร่างกายเป็นผลผลของจิตใจจิตใจมีกิเลสอยู่ท่านจะต้องศึกษาทําปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสออกจากหัวใจด้วยความทุกข์ทั้งหลายมันถึงจะค่อยๆเบาลงไปบ้างลงไปบางลงไปสาหรับพูกง่ายๆคืออาหารกายอาหารใจอาหารใจต้องมี ถารามีที่อาหารกายเรมีความสุขอยู่สะดวสบายอิน้ําำํานาญตายทิ้งฟรีๆดีไม่ดีจิตใจอาจจะไม่คํานึงาำมึงถึงการทำบุญให้ทานสร้างผลประโยชน์สาธารประโยชน์สังคมสงเคราะห์ อ, อะไรไม่เคยทําเลยตายแล้วแทนที่จะขึ้นที่สูงกลับตกที่ตา่าลงไปก็มีในบางประเทศที่เขาลองสมบูรณ์ไปด้วยไปด้วยวิธีการวิชาการ โอ้อยยังเป็นสุขสะดวกสบายหมดทุกอย่างแต่บางทีไม่รู้จักเลยวิธีการที่จะทําให้ใจพ้นจากทุกไม่มีไม่รู้จักวิธีเป็นลูกเศรษฐีร่ารวยมีโนมีนี้ใช้สอยหมดทุกอย่างก็ติดตั้งอยู่แค่นั้นแหละอ่าติดตั้งอยู่แค่นั้นแหละเครียดตายใจสอบตายใจเปราะตายเขาเขาไปยังมีค่าตัวตายเนื่องจะว่า เขามองไม่เห็นวิธีการไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฝังหนูอยากพุทธเจ้าคสอนพวกเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนับว่าเป็นโชคเป็นลาบเป็นมหาวุฒิจิตของเราที่เราเกิดมาได้ยินนะครังเราก็มีโอกาสที่ได้ได้ศึกษาทำให้ปฏิบัติธรรมอย่าลืมตัวเอาสิ่งเหลนี้ไปทิ้งซะใคล้เกือกินดา่างมีศาสาศนาแล้วก็ไม่ยอมบริโภค กลายเป็นเกลืกลือกินดาอยู่ใกล้เกลือแล้วทําไมไม่ไกินเกลือทําไมต้องกินดางบ ร, ง ร, ราณธนว่าหอน่าคิดทีเดียวกิเลสมันเกิดขึ้นมาในใจของเราได้อย่างไรเราก็ทราบไม่ไดมีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอสิพวกเราจะทราบไม่ได้เกิดขึ้นขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไร่เราก็ทราบไม่ได้ พุทธเจ้าทรงตรสว่าอาวิชาาวชาอาวิชชาอาวิชชาคือความหลงความเผลอความเพลินไปกับกิเลนนั่นแหละเป็นตัวผลักดันหลงเผลอเพลินไปตามนักของกิเลนมันเกิดขึ้นตั้งแต่นไหนเม่อไหร่มเยท่านเรียกว่าอาวิชาาวชาอาวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยที่เกิดสังขารสังขารของเราที่มาก่อมากุมมาเกี่ยวมข้องกันเกิดขึ้นจากความไม่รู้ ความไม่รู้ไม่รู้ว่าเหตุสิ่งนี้จะเป็นสิ่งนี้เหตุสิ่งนี้จะเป็นสิ่งนี้ที่เรียกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอันนี้เป็นความหมายอันหนึ่งอีกความหมายอันหนึ่งคือความไม่รู้ด้วยการไม่ได้ไม่ได้ตั้งจิตจดจ่อตั้งสติจดจ่อตั้งสัมมัย์ยักจดจ่อปล่อยให้อารมณ์เข้าปล่อยให้อารมณ์ของกิเลสเข้ามาแทรจิตอ่า ไ ร, าารอารมของกิเลสเข้ามาแทรกอีแพรเดียวมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้แพเเรเดียวอารมณ์ของกิเลสเข้ามาแทรกอีกเขาหลงตั้งแต่ตอนไ้นก็ไม่รู้เรารู้ไม่ได้ความไม่รู้อันนี้ท่านเรียกว่าอวิชชาอวิชชาแต่ถ้าตรงกันข้ามท่านเรียกว่าวิชชาวิชชาวิชชาแปลว่ารู้วิชชาแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นถ้า ตราบใดก็ตามที่เรายังปล่อยให้อารมณ์ฉาบครอบ น, นอาจิตของเราจิตของเราก็จะมืดเงินจับทึบไม่มีสติไม่มีปัญญามันมีโอกาสไม่มีวิธีที่จะแก้ไขตัวเองให้ได้รับความสุขอย่างบอยสุดเพื่อความหมดจดล่องจิตอย่างแท้จริงมืดทึบๆอยู่อย่างนั้นแหละอำนาจมืดอำนาจทึบอำนาจทื่อต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นอำนาจมืดของกิเลส กเกิดขึ้นมาจากิิเของเราที่ไม่บอยสุทธิ์นั่นแหละมันเป็นอำนาจมุ่งองกเเิเลสตัวพลังงานของมันก็คือตัวความอยากความอยากมีไหมในหัวใจของเรามีความอยากไหมความอยากนั่นแหละเป็นตัวตันหานเป็นตัวพลังงานของกเเิเลสละเป็นตัวพลังงานที่มันพาจิตขาเราดิ้นรนทะเยอทะยานความทายเยอทายานความดิ้นรนแต่เร kind of ียกว่าตันหา ความทยานอยากความทยานอยากสุขลงคาเดียวคือความอยากความอยากความอยากของจิตร่างกายมันก็มีความบกพร่องมันก็ทําให้ร่างกายอยากเหมือนกันแต่ความโบกพร่องของจิตมันบกพร่องตามอํานาจของกิเลสเพราะมันมีกิเลสเป็นเป็นพลังงานพายความอยากนิ่งไปทยโทะยานไปไม่มีจุดจบ ปัญหากามาปัญหาภวตปัญหาวิภาวตัญหาตัวมันแท้ๆคือความอยากเรารู้ออกไหมความอยากที่เกิดในใจออของเราเรารู้ออกไหมจิตของเรามระดุกรดิกพลิกแพลงไปแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตถ้าเราพยายามสังเกตเราจะเห็นว่าความอยากมันพาจิตออกความอยากมันพาจิต ด, ดิ้นมันพาความอยากมันพาจิต ด, ดิ้นรน จิตมันหิวมันติ้นรนมันหิวอะไรมันหิวสิ่งที่ที่มันต้องการนี่แหละจิตมันต้องการอะไรเราก็จะสรุปได้ว่าจิตต้องการรูปต้องการรูปดีๆรูปไม่ดีมันก็ไม่ชอบไหมันก็ไม่ต้องการมันเป็นเรื่องของกิเลสชอบใจมันมันก็ต้องการมันก็นึ่งนองเข้ามาะเป็นการยินดีเป็นการพอใจเพลินใจรูปไม่ดีมันก็ไม่ต้องการ มันผลักออกไปเขาอยกยินร้ายมันผลักออกไปนี่เราพูดถึงธรรมะข้างในลึกๆนะอยากลองจดจ่อมาฟังให้เกิดความเข้าใจให้เดีรับความมันเลตรับความเข้าใจจิดว่า น, นหิวก็หายสิ่งนี้หิวกระหายรูปหิวกระหายเสียงหิวกระหายรถหิวกระหายสัมผัสสัมผัสคือการสัมผัสกันนั่นแหละ สัมผัสเย็นร้อน่อนแข็งการสัมผัสสัมผัสอะไแบ่พืนพืทั่วไปจนถึงความสัมผัสที่เป็นยอดของการสัมผัสคือสัมผัสสิ่งที่เป็นเกย่ยวไรอของกาลเ่านไหมวามสัมผัสต่างๆนะั้นจิตมันมันรนสวยงามสิ่งตา่างๆจากนั้นแล้วจิตในเมื่อมันไม่คิดไปในปรูปธรรม มันน้อมนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องน า, ามธรรมกันอย่างจิตนึกคิดไปตามสิ่งที่รูกันแล้วเป็นสัญญาอารมณ์อะระลับตาอยู่แต่ว่าในจิตเนีในมนโนภาพยังมีรูปอยู่รูปที่ไปตกค้างอยู่ในจิตก็คือรูปที่มันชอบที่สุดกับรูปที่ชังที่สุดอกับไอ้ไม่ชอบไอ้ชังมันสามารถเป็นโผลได้ภายในจิตทั้งนั้นเลยที่เรียกว่าสัญญาสัญญา ความจำได้มันเคยประสบพบเห็นเคยผ่านไปเคยผ่านมาจำได้ตัวนี้นคือต้องมีประสบการณ์จำได้แต่เรื่องหมายรู้อันเป็นลักษณะของเวทนาอของสัญญานั้นนหะมันเป็นพลังอคติเดที่มันหมายหมายดีหมายดีหมายชั่วหมายร้ายมันหมายได้ทแค่นั้นแหละ หมายเป็นมนโนภาพขึ้นมาเลยแล้วพูดถึงเรองจิตแล้วก็ว่าดภาพไปว่าโอ้มืองจิดต้องเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ที่เรียกว่าท่านเรียกว่าหมายรู้ไม่เคยเห็นดอกทาไมจึงเป็นภาพอย่างนั้นได้เก็กิตมันคาดมันเดาเอาเรียกว่าหมายรู้เช่นอย่างมันเห็นรูปที่ชอบใจที่สุดอยู่ในมนโนภาพหมายแทนที่จะเป็นรูปตายชื่อท่ามันกลายเป็นรูปมีชีวิตอยู่ข้าไใน โดยเหตุที่จิตมีความกำลังในราคะจิตก็ลิ้นเลียรสชาติของรูปที่เกิดในมโนภาพนั่นแหละใช่ไหมริดเดี่ยวเข้ามาในไร้ายกาศมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องหลักเรื่องธรรมเนี่ยเราจะอยู่ในคลองในแนวในแถวในกระแสของมันอยู่ในคลองในค่ายในกรงขังของมันหลอไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวมันวนเวียงอยู่กับสัญญานั่นแหละขาด วันนั้นสร้างสัญญาขึ้นมาถ้าสัญญาสัญญามันไม่ใช่เรื่องจริงตัวสัญญาเป็นสัจธรรมอยูอ่แต่เรื่องที่มันฆ่ามเดามันหมายไม่ใช่เรื่องจริงแต่พอเวลามันฆ่ามเดาขึ้นมาแล้วกลายเป็นหลงเชื่อสัญญาที่จิตมันฆ่ามเดาเชื่อสัญญามันตัวเองเจนจะไปเจนอยากไปคาดไปเดาว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไปคาดไปเดาแล้วก็ไปเชือ่อ คนนี้ใส่ร้ายเราคนนี้ให้โทษเราเอาสัญญาของเรามาคาดมาเเดาไม่มีเหตุผลไม่มีข้อมูลอะไรเพียงพอค่าเดาฆ่าเอาไปฆ่าเดามาเชื่อความคาดความเดาของตัวเองให้ทุกข์ให้โทษกับคนที่เราค่าดบเดาอย่างนี้ก็มีอยู่เีเฉยไม่มีอะไรเนะี่ยโดยการคาดกานเดาของตัวเองเนี่ยไปดา่าเขาจอดๆตามที่สัญญาเราคิดว่าเขาคิดไม่ดีกับเราเขาเล่นไม่ซื่อกับเรา นี่คือความทุกข์ที่จะจรมาแต่ละวันแต่ละบันให้เราได้ไม่จบไม่สิ้นความทุกข์อันนี้เจ็บแสบัวร้อนมากกับเครื่องอำนาจผิดผลของกิเลสที่มีอยู่ภายในหัวใจของเราเราไม่ศึกษาทำเราไม่ไม่มีโอกาสจะรู้ได้จะเข้าใจได้นี่คือเรื่องของกิเลสที่มันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาที่รูปเสียงกลิ่นรสประภะและแทรกเข้ามาที่เวทนาแทรกเข้ามาที่สัญญา แทรเข้ามาที่สังขารแทรกเข้ามาที่วิญญากิเล็มแทรกเข้ามาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะั้นเป็นเครื่องมือของของของจิตเป็นเครื่องมือของนามธรรมาเป็นเครื่องมือสหรับกิเลสมันออกมาแสดงมันทําให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรคประทับกับนามธรรมา ท, ที่เสี้ยวาอาการของจิตลงตาเราเรียกว่าอาการของจิตขาท่านห้าโรคกเป็นโรค เวทนาสัญญาทังการวิยาณเนี่ยเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตตัวจิตแท้จริงก็คือจิตสัพพะรู้สัพพะูรู้แต่ด้วยเหตุทจิตไม่บริสุทธิ์เกิดจิตจึงแสวงหาขันด้วยเหตุทีจิตที่ไม่บริสุทธิ์จิตจึงแสวงหาขันแสวงหาโรูประขันแสวงหานามขันนามขันนั่นคืออาการของจิตเวทนาสัญญาทังการวิยาณ นามธรรมทั้งสีนี้เป็นอาการของจิตอาการของจิตมีมากมายมหาศาลแล้วแต่จิตจะพานึกคิดใกล้คนใจตรองไปนั้นอย่างภาษาพิธรรมเรียกว่าจิตเท่านั้นดวงจิตเท่านี้ดวงถ้าเราจะเรียกตามอาการของจิตมีมากมากมายมากกว่านั้นนี่เป็นลักษณะอาการของจิตที่ดอดดิ้นแสดงไปตามกิริยาการที่มีรูปธรรมกํานามธรรมเกาะมาเกี่ยวเข้ามาผูกพันกัน ทำให้จิตตรงนี้เนี่ยวิจิตพิศดารไปแสวงหาที่เกิดแสวงหาขันเป็นที่เกิดเป็นเรื่องข้างในเล็กๆนะต้องย้อนจิตเข้ามาที่จิตของเราย้อนจิตเข้ามาดูที่ตัวของตัวเราเราพูดถึงเรื่องสัจธรรมที่มีอยู่ภายในในตัวของเราในใจของเราะคงไม่มีนิทานสนุกๆเล่าให้ฟังหรอกไม่มีนิทานสนุกเล่าให้ฟังหรอก แต่ถ้าเราไม่สนใจเลยไม่ยินดีเลยในศัพทธรรมตางๆเหล่านี้เราก็กอดศาสนาไว้เฉยๆนั่นแหละไม่ได้ประโยชน์อะไรมัอนมดแดงเฝ้าหม้กเหมือนกบเฝ้ากรกบบัวอ่านิทานสรุปกรรมการกบเฝ้ากบบัวกบเฝ้าดอกบัวอยู่ในสระสระหนึ่งอ่านพอดีใกล้ๆบริเวณนั้นมีลงตา ้องหนึ่งไปบิณฑบาตมาแล้วก็ขอบฉันขอบฉันเสร็จแล้วเอาข้าวที่เหลือจากก้นบา่รไปให้ไก่ไปยำทุกวันทุกวันอเอาข้าวที่เหลือจากก้นบาตนี่อันนี้เป็น น, นะ น, นิทานนะนะฟังแลยนะทนี้นิทานนะน้องตาเอาข้ า, ากวก้นบาตไปให้ไปให้ไก่กินทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันกบก็เห็น กองผูเ้เรียนเอ๋ลงตาเอาข้าวไปให้ไก่กินแล้วนะเนาะเป็นปลาเน้สู้เป็นไก่ไม่ได้นนเนี่ยกองคิดนี่ยกองเฝ้าอยู่บนกอบนผู้เรี น, เ, นเป็นปลาเนีสู้เป็นไก่ไม่ได้เป็นไก่ไม่ได้เป็นไก่ไม่ต้องไปทามากินลงตาเอาให้กินได้อยู่มา ต่อมาอีกนะต่อมาอีกอ่ะต่อมาอีกหมามันไปหากินใช่ไหมไปหากินมันก็ปนไปไล่มันก็ไปแย่งไก่นี่แหละหมามันก็ปนไปไล่ไก่กบะก็เห็นอีโอ้เป็นไก่เป็นไก่ก็ไม่ดีนะสู้เป็นหมาไม่ได้โอ้ใช่ไหมกามันก็ว่าไปแล้วเป็นไก่ครับสู้เป็นหมาไม่ได้เนะเป็นหมาไม่ได้ อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปก็ก็เห็นอีกมีผู้หญิงผู้ชายสองคนเดินมาเดินมาขอเขาก็้าหินแล้วฟาดหมาเฟี้ยงหมาเฟียงหมาหมากันนี้อันนี้คนมันกลัวก็หินกันหนีไปก็ก็เห็นอีกมันก็บอกว่าโอ้เป็นหมาก็ไิดดีเหมสู้ผิดคนไม่ได้สู้ดคนไม่ได้นี่คนสอคนนี่ยเขาก็มองกันเบียอยู่ใกล้แถวนั้นแหละ เขาก็มาวนเวียนอยู่วนเวียนไปวนเวียนมามีแมงปีแมงวันมาตอมาตอสองคนหุ่มสาวนะนะมีแมงปีแมงวันมาตอสองคนหุ่มสาวเนี่ยสองคนหุ่มสาวเลยรำคาญแมงปี๊บแมงวันหนีออกจากตรงนั้นไปกบมันเห็นมันบอกเว้ยเป็นคนสู้เป็นแมงปี๊แมงวันได้ป่ะกบกบมันเห็นมันว่าสู้เป็นเป็นแมงปี๊บแมงวันไม่ไดมันก็ว่าไป ก็คนเป็นคนมาสู้แมงปี๊มแมงวันไม่ได้เป็นแมงปีนดแมงวันดีกว่าอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปอ่ะแมงปี๊ดงวันเนี่ยมันบินไปบินมาดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยมันไปเกาะมันไปเกาะที่ปลายจมูกของกบทีเนี้ยเกาะไปใช้ลิ้นยาวๆตวบปั๊บเข้าปากจ่อยแฮ้ยเป็นแมงปี๊ดแงวันจะสู้เป็นเกาะไม่ได้ ในที่ส <hè â, S 2> ุดกบก็เฝ้ากอบวอยังเหมือนเดิมนะไม่สนุกดีทามอย่างนี้ไม่สนุกดนะแต่ก็เป็นเรื่องสะท้อนให้เราเห็นว่าเราอย่าเป็นกบเฝ้ากอบวเฉยๆไม่ได้ปรนอะไรอืมถาทุ่งเกิดขึ้นนะ เอาได้ไประโยชน์อะไรบ้างใครมีอะไรคุยกันบ้างก็ได้พวกเราที่มาอบรมเนี่ยอ mm. ืคิดว่าขอได้ยินตัวถึงบัณฑิตบุญสลานเนี่ยมีอะไรคุยบ้างจะถามว่าแดงเข้ามาม้อหรือจะถามกบเฝ่ า, ากอบัวใครเงาเหงื่อนอนอยู่ใครเหงื่ น, นอนอยู่ น้องนอนอยู่อยู่บ้านแบบตื่นตาตื่นใจกับอะไรกับไม่รู้ตื่นตาตื่นใจก็ตื่นไปหัวใจก็ระทึกอยู่นะตื่นกับอะไรกับไม่รู้วันพรุ่งนี้เราจะมาทําวัดส่วนมนกับพระไหมวันพรุ่งนี้วันอังคารสดใช่ไหมฮะสุพัทิโม่ไหมวันตรงนี้ถ้าเราใครได้ดูปฏิทินบ้างสวนสดีไหม วันพรุนี้วันอุโบสถวันปฏิโมกเราก็จะเริ่มสวดปฏิโมกข์ตั้งแต่ตีห้าตีห้ายี่สิบกว่าเราสุดละหรืออาจจะตีห้าครึ่งเราสวดละเพราะงั้นใครมาร่วมทำบัตรสวมดมนต์ได้เพราะตีสี่เราถึงสลาเลยตีสี่พระทุกองที่ท่านจะลงมาท่านจะถึงสลาบางคนก็มาก่อนตีสี่มาปัดกวาเดเช็ดถู้วอ้อาสนาเสร็จเรียบร้อยท่านก็พร้อมกัน นั่งธรรมบัตสวนมนตก็ราราที่สี่สิบห้าหรือยี่สิบนาทีก็พร้อมกันกับธรรมบัตสวนมนตธรรมบัตสวนมนเสร็จก็ได้เวลาสวนปฏิโมกข์พอดอีถ้าใครขึ้นมาธรรมบัตสวนมนกับพระรก็ได้ลูกขึ้นไหวไหมมที่สี่ลุกขึ้นไหวใครลุกขึ้นได้มาที่นี่ได้ก็ได้ธรรมบัตรสวนมนกับพระ หลังจากนั้นแล้วเราอนั่งทางๆฟังพระสวดปฏิโมกก็ได้เรานั่งทางหานู้ติดลุกกรงผู้ชายก็นั่งซีกหนึ่งผู้หญิงก็นั่งซีกหนึ่งเราก็นั่งฟังเอาบุไปแต่พระท่านสวนของท่านกุริยารท่านส่งให้ตราให้ประสงค์ในส่วนทุกเกินดเดือนเพื่อเป็นการมาสังฆ ย, ยนาพราะวิ น, นัยศีลสองรยี่บเจ็ดที่ประสงค์ทุกส่วนสุปฏิโมก ทุ ก, กงเดือนวับปารอสวดทุกทุ ก, กงเดือนตลอดปีตลอดทั้งปีแต่เราสวดตามปักนะปักเ ข, าขก้าคำนวณโตยังไงเรามาสวดอย่างนั้นแต่ว่าบางแห่งเขาสวดตามวันพระบางแห่งบางแห่งต้องไฟทำยุทธก็มีไฟมาในกายก็มีบางแห่งถ้าสวดตามวันพระ วันไหนเป็นวันพระใหญ่เขาจะสวดที่โมกแต่ทั้งฝ่ายทั้งยุทธเราทั้งคำนวณว่าถ้าปัดเช่นอย่างวันพุงนี้วันพระแต่ปัดไปตรงวันตรงวันแรงหนึ่งค่ำท่านก็ให้ไปสวดวันแรงหนึ่งค่ำมันเป็นการมันเป็นการใกล้วันสิพาค่ำที่สุดที่ท่านทำอันนี้มาจากตำราของรัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่ท่านเก่งมากเรื่องแบบนี้ ตั้งบวทั้งยีิบเ้าพรรษาสมเด็จพระเจ้าก้าวเจ้าอยู่หวัวราชกาลที่สี่ตั้งโซผนวกทั้งยี่ 29, สิบเก้าพรรษาจากนั้นท่านก็ออกไปครองบานครองเมืองเป็นพระพเจ้าแผ่นดินไม่กี่ปีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองอาราชกาลที่สี่ลูกของท่านเนี่เป็นผู้มีอัจฉริยะเกือบทั้งนั้นหละลูกราชกาลที่ 4, สี่สมเด็จพระ สมเด็จสมเด็จพระมหาสมณเจ้ยยานี่ก็เป็นลกูการาชกาลที่สี่กองหลวงนำรองราชาณาจากเป็นลูการาชกาลที่สี่มีหลายองค์ที่มีอัจฉริยะทนั้นช่วยปกครองช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองเป็นหลักเป็นต้นตอให้กับพวกเราอันนี้เป็นเส้นสายของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์กปกครองปกครองไหพระมหากษัตริย์ปกครองดูแล ปกครองต่อมาต่อมาต่อมาก็มามีเปลี่ยนเป็นปกครองด้วยประชาธิปไตยผมบอกประชาธิปไตยประชาธิปไตยทุกวันก็มีแต่ด่ากันดากันเราไปเห็นเมืองเขามีเห็นเขาด่ากันไหมประชาธิปไตยบ้านเราไม่จะด่ากันประเทศเลยล้าหลังเขาไม่ก้าวหน้าเท่ากับเขานี่คือล้าหลังเขา บางทีก็ไม่ศึกษาเั่งศีลเรืงธรรมลอยให้กิเลสออกเพ่นพานแสดงเต็มแปร่ไปหมดต่าคนทํางเอากิเลสแข่งกันหากั น, นเรื่องนี้เรื่องหน้าวิตกทั้งที่เรามีของดีพระศาสนาที้เป็นของดีมากก็ทำรมาวินียร์ที่โปร่งสบตรตายาเป็นของดีของเกิดของประเสริฐจริงๆเหมาะสำหรับ คนที่ต้องการสวยาหาของดีของเดีของประเสริฐแต่ถ้าคนไม่สวยาหาของดีของเือีของประเสริฐก็คงจะด้อยค่ากับคนชนิดนั้นแบบนั้นแตในขณะเดียวกันก็อยู่ไม่ได้อยู่สุขสะดวกสบายอะไรตามหลักของศีลของธรรมอยู่ทุกอย่างลำบากกันดานอยู่ยังมีเวน้นมีภยัยตายแล้วมันรู้จัตกนรกหรือจะขึ้นสวรรค์อาจจะขึ้นไม่ได้ตกนรก มันเป็นเปลือกอสุรกายก็ลึกมากไปกว่านั้นเนี่ยนี่ลักสิ่งต่ตางๆนี่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงไม่จริงไหนพระเจา้าสัพพมีอยู่รองทุกสิ่งทุกอย่างใลยหรอกเป็นผู้บรรลุตรรมได้ด้วยด้วยบารมีไม่ใช่นอนหลักก็บรรลุธรมนอนตื่นขึ้นม า, นาก็ได้บรรลุธรรมไม่ใช่พระเจ้าเขาสร้างเื้สอสร้างตัวเท่าไหร่ สร้างบารมีมาก็จะได้มรุทรมการได้มรุทธรเนี่ยการสร้างบารมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าบารมียังไม่เต็มพอบมรุไม่ได้มันไม่มีภูมิรู้ไม่มีปัญญารู้ไม่มีกําลังที่จะมาไปกระป๋องของกิเลสออกได้กระป๋องของกิเลสมันไม่ตาม่างอะไรกับขอบคลายของของไข่นั่นแหละถ้าเราจะเทียบกับไข่ กับลูกของมันที่มันฟักตัวแล้วแก่ตัวอยู่ในนั้นมันออกมาเป็นตัวแล้วมีขนมีจยื่อยปักแข็งขึ้นมาแล้ก็เจาะพระพุทธเจ้าเป็นสัตว์ตัวแรกที่เจเาะ ก, กระป๋ อ, อไข่ออกมาได้เป็นเป็นตัวพี่นั่นะองพระสงฆ์เจาะกรอบไข่ของี่เล็สออกมาจากหัวใจได้ออกมาได้ออกมาจากโลกได้ พ้นโลกไพระพุทธเจ้าเป็นคนพ้นจากโลกไปแล้วโลกคือการเกิดแก่เวียนว่ากตายเกิดมือนอย่างพูดเราอันนี้คือโลกโลกคือความทุกข์โลกคนกองทุกพ้นโลกพ้นไปจากกองทุกไม่ต้องกังวลเวียนเกิดแก่เก็บตายแล้วถ้ารู้ของพระองค์บริสุทธิ์ไปไหนก็อยู่รอบข้งตัวเราเนี่แหละไม่ได้ไปไหนถ้าทั้งหลายทั้งปวงไม่สูงไปจากโอก รูปธาตุก็ไม่สูนไปจากโลกร่างกายของเราประอกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ําลมไฟสลายไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเวลาตายที่ น, นามธรรมไม่สูนไปจากโลกเาบวนเวียนอยู่รอบข้างตัวเรานี่แหละแต่เรามองไม่เห็นนังนั้นก็เรามาตั้งใจทำวัดส่วนมันุษมันจะเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรก็เทือนหนึ่งมั่วใจของเรา เราต้องใจปฏิบัติให้ใจของเราเข้าถึงธรรมเข้าถึงสมาธิ ї, เข้าถึงปัญญาเราจะเริ่มเห็นพระศาสดาผู้เรเห็นธรรมพวกนั้นเห็นเราพวกเราเห็นเรากนั้เห็นธรรมนี่คือพระศาสดาพระริจไม่สูยไปไหนจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์ไม่ไม่สูยไปไหนอยนโลกในโลกนั่นแหละแต่เราไม่เห็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่ประกอบไปด้วยกิเลสมีไหม มีจริงไปอ่านูนในมหาปรินิพพานสูตรเรงประดไว้รพระกอบพระจิตที่บริสุทธิ์ของเรงาเข้าฌานฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ออกจากโลกจฌานไปเข้าอารมณ์ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ออกจากอรปรมณ์ฌานที่สี่ไปประทับอยู่ในสัญญาเวทียตานิโรธนะที่ประทับอยู่นั้นนะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ อยู่ในสัญญาเวทยินิรธแล้วก็ทรงย้อนมาอีกมาเข้ารูปิชานแล้วก็มาเข้ารูปิชานแล้วก็ออกมาอยู่อยู่ในภาวะของพระจิตที่บริสุดในระหว่างที่เขาเข้าออกนพระมุรุทักเห็นตลอดทําไมจึงเห็นตลอดก็เพราะว่าพระจิตของพระองค์เป็นภาพผิงสมมุติรูประชานก็เป็นสมมติอารมณ์ิชานก็เป็นสมมุติ สมาบาัติก็เป็นสมมุตินิโรธนิโรธสมาบัติก็เป็นสมมุติเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นที่อยู่ของจิตพอเวลาพระจิตที่บริสุทธิ์พระปกไปภาพเพียงก็มองเห็นทีนี้พระเข้าไปอีกนะพอออกมาแล้วเข้าไปอีกเข้าฌานที่หนึ่งออกจากฌานที่หนึ่งเข้าฌานที่สองเ้าฌานที่สามเข้าฌานที่สี่ในระหว่างที่อยู่ในองค์ฌานนี่จะมองเห็นตอนออกจากองค์ฌานนี้มองไม่เห็น สิ่งที่มองเห็นหน่ะคือพระจิตที่บริสุทธิ์เท่าไั้นถ้าไม่มาภาพเพียงสมมุติน่ะพวกเราจะมองไม่เห็นทีพระองค์ออกจากโลกประชาน่ะโลกประชานที่สีน่น่นออกจากไม่อยู่ในรูปประชานแล้วทีพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์อาโลกประชานรองก็ไม่เข้าโลกประชานก็ไม่อยู่พระอันรู้พรมองไม่เห็นมองไม่เห็ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์ไปไหน มองไม่เห็นเพราะพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์ไม่ไม่พลาดทิ้งสมมุติเนี่ยเราเห็นว่าพระจิตที่บริสุทธิ์สูงไม่จากโลกไม่สูงไม่จากเราก็อยู่ในโลกนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราระพึงราพันบนเพอขอพึ่งพาสายปรามีของพระองค์น่งแต่ก็ไม่ท้นย้อนมาที่จิตของตัวเองพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอย่างพระวักคารีเนี่ยไปเดินเที่ยวจับชายกีวอนของพระองค์ ก็ไม่เชื่อว่าเห็นพราเพราะว่กากะลินั่นแ่ะเป็นพราษาวาลที่บวชไปก็เห็นมากพุกทธเจาัานรูปงามเดินไปไหนไปยื้อไปเดินดูพระรูปเฉลิของพุทธเจา้าดูด้วยอำนาจองกิเลสอย่างพุทธเจา้านางพุทธเจา้าในรูปงามพุทธเจ้าก็ดูว่าไอ้วาระกิจของพระองค์นี้นะจะได้ที่หรือยังได้ที่พระองค์จะเผย ด, ดูไปดูไปดูไปใกล้จะได้ที่พระองค์จะเพผย เธอมาเทีย่ยวดูอะไรเรานี่ <c oughs> มาดูร่างอะไรร่างกายเน่าเปื่อยนี่ไล่พระอกเกลิศนี่แต่พระองค์ทรงตรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแม้เธอจะมาเทีย่ยวจับชายฮิวราก็ <c oughs> ไม่เชื่อว่าเธอเห็นเราผู้ใ ด, ดเห็นตถาคตผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นจวเขเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้นั้นชเนนนชื่อว่าเห็นเรา เพราะฉะนั้นพระองค์ปรินิพานไปพระองค์ปรินิพานไปพระองค์ไม่ได้สายใครเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ธรรมะของพระองค์เป็นศาสดาแทนพระองค์พระสงฆ์ทั้งหลายจึงเคารบธรรมเพราะธรรมะคือพระศาสดาศาสดาสาคือธรรมธรรมะคือพระศาสดาธรรมะเป็นเหตุพระองค์ได้เป็นได้ได้พระจิตที่บริสุทธ มาถึงวัยสุดกิเลสนะเพราะศึกษาธรรมเพราะปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมไปปฏิบัติธรรมไปเป็นการช้ำแรกจำหลักขัดเกลากิเลสไปเห็นสาเหตุต้นต่อส่งไทยที่แท้จริงกิเลสก็หมดเกิดแห่งปจักษหัใจก็เลยใจิตที่บ่อยสุดเป็นจิตแท่งเดียวเป็นเป็นทองแท่งเดียวเป็นธรรมแท่งเดียวตาแต่ตั้งมาธรรมแท่งเดียวนะ บำรองตอนอยู่โดยเอก เ, เทศของตัวเองตลอดอนันตการอนันตการฟังได้ว่าอนันตการมีการมีเวลาไปเกี่ยวข้องไหมไม่มีอยู่นั่นแหละนั่นแหละเป็นบรมสุขที่แท้จริงเป็นเป้าหมายของพวกเราที่เราพยายังไปให้ถึงหรือเรายังพอใจอยู่กับเกิดแก่เจ็บตายธรรมะกินลื่นรองเดาๆอยู่นี่แหละออันก็ปุเกิดไป แล้วะจบมันจบแค่นี้ทุกคนกลับไปแล้วมีเวลาครับนักรองทางนั่งภาวนาต้ามนะแล้ววันที่หนึ่งถึงทีสองมาดูจาดทุกราคารู้มาเห็นไหมอ่าเราอยู่คอยดูรู้นับภาวนาค่อยดูนะอ่า <c oughs> แล้วพรุ่งนี้ถ้าเปจะมาเราม่ทันทีสี่ธรัมะสวดมนต์แล้วก็นั่งฟังปติโมกไปได้เวลา ถ้านเทศจบท่านสวดจบพวกเราก็ อ, ออกไปทำอะไรไปเดินไปนั่งไปอะไรอะไรคือประโยชน์ให้เราทําในระหว่างที่เรามีเวลามาอย่างนี้อะไรที่เป็นโทษเราหมดเราละเราอิ่มใครจะเตรียมตัวมีอะไรไปใส่ผงใส่บัตรแล้วก็วางโปรแกรมเอาวระเด็นเขาแล้วกันแล่ละพรุ่งนี้พระาลงหมดนะพรงนี้เพราะเป็นวันอุโบสถพระอยู่ในวันมีเท่าไหร่ท่านจะลงบมดวันนี้พรุ่งนี้ ทุกวันนี้ถ้หมดข้าวหมดอะไรท่นไม่ค่อยลงลงฉันไม่ค่อยเต็มหรอกลงฉันไม่ค่อยหมดลงฉันไม่เต็มพรุงนี้พระท่านจะมาเต็มชลาฉันเต็มชลาองค์ไหนที่ท่านลองรับบิดตะบัดตรงนั้นคือท่านถึงตัวดองเราถ้าเราออกฉันเราก็บิดตรงนี้เราไม่ได้ไปบิดในบ้านเพราะเดินไม่ทันหมูแล้วแล้วก็บิดตองอรงหน้าชลาเนี่ยแหละ ตรงนั้นต้องพ้นใส่บานนแล้ก็ป็นตรงนี้เอากราบก่อนพระ่ะกราบะล้นะะลกราบตามท่วมสี่สิบนาทียังไม่ดึงดอกโอ้ไปนอนอีกต้งสามสี่ชั่วโมงนกว่าจะถึงไนจังทุกราคาเนี่ยอิ่มบอได้ตื่นขึ้นมานะอ่าดูแล้วก็ภาวนาต่อ จะเดินยังลงไปจนถึงนั่งกับก็ได้นะฮะอมุ่นมากกว่าเขาอมุนให้กับตัวเองทุกวันเราก็ยุ่งงอหมุนกับดูแลผู้เจ็บผู้ป่วยโอ้เราเห็นหมอเห็นพยาบาลดูแลคนเจ็บคนป่วยเนี่เราเห็นใจเป็นงานหนะักมากเป็นงนนะานหนักขับไปรับได้เดินได้ลงไปได้เปิดไฟนู่นเปิดไฟข้างๆเสาบันไดเนะี่ย เปิดไฟมันจะมีไฟตรงนั้นอ่ะข้างๆมันไดเออเปิดเดี๋ยวไปจกล่องเอวหักนะเออเราหงสุสุดไปจุกล่องนะขาหักแท่ไหนนะออะพวกเราก็เลิกนะ